ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นนาบัตรนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนา คำสอนในทางพุทธศาสนานี้จะต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการกระทำตามจึงจะเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนาพุท ธ, ธแปลว่าโลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ตรสัสรู้ธรรมธรรมทั้งแปดหมื่นสีพันพระธรรมคัน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 หินหลังให้ต้นไม่พอผินหน้าประพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เป็นคราวที่เรียกว่าวันสำคัญคือเป็นวันเดือนหกเพนเป็นความตั้งใจแน่วแน่ของพระองค์ ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงจึงได้ตั้งสัต์ิฐิฐานใจลงไปอย่างมั่นคงว่า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 คือพระองค์ตรงกรรมฐานตกแล้วองค์ตกว่าตายเอาตายสู้ถ้าไม่เอาตายสู้ละสู้ไม่ได้สู้กิเลสมารสังขารมารกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้ถ้าจะทำใจอ่อนแอทอดแท้เหมือนแต่ก่อนมาไม่ได้สาเร็จไม่ได้ตรัสรู้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 เมื่อลมที่เข้าไปแล้วไปเลี่ยงร่างกายลมหายใจก็ออกมาท่านก็กำหนดรูปว่านี่เป็นลมออกมาการตั้งใจของพระองค์ละลึกโยภายในไม่ได้อยู่ภายนอกแตว่าโยภายในหนังหุ่มอยู่เป็นที่สุดรอบ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 แล้ ว, ว่ารู้เท่ารู้ทนรู้ทุกขนาดทุกเดลาที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกดวงจิตของพระองค์ก็คือจิตดวงผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกแม้เราท่านทั้งหลายที่นั่งภาวนาอยู่นี้ก็มีจิตใจดวงผู้รู้อันนี้อยู่คนละดวงละดวง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 ยังไม่เชื่อในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อพระองค์กำห น, นดลมหายใจเข้าออกจิตใจก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนท่านเอาลมหายใจมัดไว้พอจิตใจสงบกระงับตั้งมัน่นเที่ยงกลงคงที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมใจลงไปได้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 มันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าจิตใจคนเราหลงมาเยอดเอาถือเอาว่ารูปปันร่างกายอันนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเรายังไม่ได้ถามดูให้ดียังไม่ได้ภาวนาเพียงเพ่งดูให้ดีแล้วให้เราต้องสืบสวนไต่สวนดูให้ดี ว่าที่จิตหลงอันนี้มาเย็ดว่าตัวของเราหรือว่าผมเป็นของเรามันเป็นของเราจริงไหมถามดูทีว่าผมอยู่บนศีสาเป็นเส้นๆถ้าเป็นพระเป็นเนนก็เรียกว่าโกนทุกวันพระวันโกน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 มันสมมุติให้เป็นของเราเท่านั้นข้าแพ้มันไม่ได้เป็นของใครพระแต่ก่อนนักบวชแต่ก่อนเพียงแต่ว่าองผมจะบวชเป็นพระเป็นเณรเท่านั้นแหละพอมีโกนจดเข้าไปขุ่โกนไปตกลงมาเท่านั้น ท่านก็ตรงกรรมฐานตกเลยว่าผมเน่แหละมันไม่ใช่ของเราดูที่มันโกนแล้วมันตกลงมากากหนังศรีรษะลงมากองอยู่พื้นดินถ้ามันอยู่บนศรีรษะต้องยังว่าเป็นของเราเวลามันขาดลงมาแล้วโกน ล, ลงตกลงใส่พื้นแผ่นดิน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 ถึงน้อยเต็นทีอานาจหลวงปูแหวนก็บอกแกที่สุดแล้วหมอแพทย์ก็จะให้ได้ล้อยตีขันอาหารทางปากไม่ได้ก็ให้ขันอาหารทางท้องหมายว่าจะให้ได้ถึงล้อยตีกว่ า, ก, วาก็เลยไม่ได้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 เนีในขณะที่ยังไม่ถึงตายหละยังมีชีวิตยอยู่แต่ก็โทุรัทุเลบางคนก็เจ็บท้องถ่ายท้องมันจะเอาตายมาให้เหมือนกันแต่มันกลัวตายแล้วมันก็เลยหายไปเสีย บางคนก็ถูกอุปะทวะเหตุต่างๆจนถึงตายไปอีกเหลือตายเหลือเด็นมากกว่ า, านี่แหละมรณะภัยคือความตายนี่พระพุท ธ, ธเจ้าคำรับกำสานักหนาว่าให้ลูกศิษย์เราสถาคตจงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจ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 ก่อนที่มันจะตายนั้นมันต้องเจ็บเสียกด่อนต้องมีเหตุมีการมากมายหลายอย่างจึงจะถึงความแตกความตายนั้นถ้าจะใครจะไปภาวนาเอาเวลานั้นยากละถ้าว่าร้อนก็เรียกว่าร้อนจนกระทั่งว่าไม่มีที่อยู่ละในร่างกาย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 ไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างทุกโรคนั้นเป็นวัดขดจะโมก น, นิดนิดน้อยแต่เราเข้าใจว่านิดหน่อยบางคนเป็นไข้หวัดก็ตายได้เป็นไข้ธรรมดาเมื่อมันรุนแรงก็ตายได้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 อนนั้นมารณะะกรรมฐานนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สาวกของพระองค์นึกให้ได้เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายจังย่าได้ประมาทคนที่ประมาทมัวเมาอยู่ก็ไม่เด่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทีนี้เมื่อความตายมาถึงเขาแล้วเอาละทีนี้เธอเลทาล่าล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 สงออกกลางอัดเยือกเจ็นได้ <c oughs> แม้เราทั้งหลายเมื่อนึกพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เจตมันยังไม่ส ง, งบกนเอามาลณะนะคือความตายมาเตือนใจมาลาังเลภาวิสติเราต้องตายจะต้องตายวันหนึ่งจนได้ ลมเข้าไปตเตื้อมใจว่าเราตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านลังคาล่วไหลไปภายนอกให้จิตใจมาส ง, งบมานิ่งแน่อยู่ในใจของตัวเองเน ว, ว่าทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจมองเห็นมรณะนะภัยคือความตายอยู่ เป็นจิตใจไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทเท่านั้นแหละจิตใจจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติถ้าเกิดความประมาทคลั่งเสอนึกไม่ได้จเจริญไม่ได้จิตโมหะาอาวิจชาตันหาจิตกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหามันก็เข้ามาล่ม ให้จิตใจมืดมนอุนทาตามองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละแน่นชั่วระยะที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จงพาการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายาได้ทอแททอ่อนเอในหัดใจและยาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วย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 ไม่เดือดร้อนวุ่นวายด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นเอาให้พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นแต่ผู้ชี่แจงสแสดงตัดสอนใหน้เราต้องเอามาสอนใจของเรามาละอิเลตความโกรธในใจให้ได้ ละกิแลสความโลภในใจให้ได้ละกิเลสความหลงในใจให้ได้เมื่อเราเลิกได้ละได้มันก็เป็นชิลิมงคลแกจิตใจตัวของเรานั่นแหละแล้วธรรมะคมาําสอนนั้นจะเอามาสอนมาแมนะนําตัวเองเมือ่อใดเวลาใดก็ได้ทุกเมือ่อ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 มันดือ้อลงกันดึงไปทางอื่นมันดื้อแล้วมันก็ด้านทํามันธรรมดามันด้านก็คือว่ามันด้านมันแข็งอะไรซึมซาบเข้าไปไม่ได้ในนั้นต้องเอาจิตใจนี่แหละอ่อนน้อมในคุณพระพุทธเจ้าอ่อนน้อมในคุณพระธรรมอ่อนน้อมในคุณพระสงฆ์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 ขอกราบไหว้พระพุทธเจา้าขอกราบไหว้พระธรรมขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อกิเลตในจิตในใจของผู้กราบไหว้นั้นละ่ะจะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปมันมีแต่หนาเข้าไปจิตเข้าไปก็เลยไม่รู้ทาาอุ ป, ปมาเปรียบว่าเหมือนคนตามบอก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 นี่แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันตั้งลกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายังจิตใจของตนให้ของใสสะอาดปราศจากมลสินโทษก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมงกุด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละนีสัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายยโกภวะอิวาธนาสีริสนิจจังวุฒาปจกายิโนจ ต, ตารธรรมมาวัทันติ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 พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคราหัตตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิให้าการ น, นั่งขัดสมาเอาข า, าซ้ายเึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ า, ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เสี่ยงตรงหลับตาแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมเจ็ดรวมใจเข้าไปภายใน อย่าปล่อยให้ใจิตใจคิดไปภายนอกจองตั้งใจระลึกถึงพุทธคุณคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทโธคนพระพุทธเจ้านี้ผู้ใดลำลึกถึงเรื่องใสในคุณพระพุทธเจ้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกก็มีความสักด์กายสาบายใจด้วยอำ น, นาจ คนประพุติเจ้าที่เราลำลึกถึงแม่บุคคลนั้นจะละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ย่อกไปสู่สวรรค์เทวโลกเพราะว่าคนประพุท ธ, ธเจ้านั้นเป็นของยิ่งใหญ่ไพศาลทุกอย่างทุกเรื่การอันประพฤติเจ้านั้นเป็นตัวอย่าง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 เคยเป็นตัวอย่างมาเตือนใจของคนเราได้ทุกคนว่าจิตใจคนเราที่มันข้องโยมันติดอยู่ไม่ก้าวไปโสนิพานก็เพรามันติดอยู่ในกองจิเลศเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่าสีสลักเสด็จออกบรรพชาเมื่อบรรพชา สมาทานตนเองเป็นพระองค์หนึ่งแล้วก็แสวงหาที่วิเวกภาวานาแทกเขาหิมาลายทำที่ไหนจะลึกซื้นใดน้อยประการใดพระองค์ก็ตามไปนั่งภาวานาในที่ น, นั้นเขาสูงที่ไหนอากาศดี ที่สุดพระองค์ก็ไปนั่งภาวานาปฏิบัติบูชาเดินจงๆมในที่นั้นนันจะเป็นที่น้ำแข็งหิมะเย็นขนาดไหนพระองค์ก็อดทนเอาเพราะว่าพระองค์ได้อดทนมาแล้วในบารมีความอดทนท่านให้ชื่อว่าขันติบารมี พระองค์บำเพ็ญมากก็บำเพ็ญต่อเลือยไปพระองค์ไม่หยุดยัง้งแล้วว่าทำเรื่อยไปป ฏ, ฏิบัติเลือยไปไม่ท้อถอยจนกะทั้งหกปีล่วงแล้วปีที่เจ็ดย่างเข้ามาพระองค์ก็เสด็จลงไปทางภาคกลางอินเดียไปถึงแม่น้ำเนลันตลา มีต้นไม้พอต้นหนึ่งโยที่นานเป็นร่มเงาดีเมื่อพระองค์ไปเห็นแล้วก็ชอบพอพอใจว่าต้นไม้ตนนี้แหละจะเป็นที่นั่งภาวนาของเราให้เลรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์ก็ถือต้นไม้ือต้นนั้นแหละเป็นที่ร่มเงา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 พระองค์นั่งขัดสมาธิที่ได้แนะนำเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิดเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ตั้งสัจจะอภิธรามใจลงไปว่าจะนั่งสมาธิภาวนาในที่นี้ให้ได้สำเร็จ เป็นประพุ ธ, ธิเจา้าถ้าไม่ได้สำเร็จเป็นประพุ ธ, ธิเจา้าก็จะไม่ลุกหนีจากที่นี้เป็นนังขาดแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆข้างนั่น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 นับตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆมันบันดาลอยู่ในธาตุขันของเระองค์พระองค์ก็ปล่อยว่างไม่ให้จิตใจไปกังวลจิตใจแน่วแน่อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอันลมหายใจนั้นเป็นเพียงนิมิตหมายส่วนใจของเรอองค์ผู้รู้จักว่าลมเข้าลมออก นั่นแหละคือดวงใจดวงใจนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะอย่างโน่นอย่างนี้ไม่มีเจตใจนี้เป็นธาตนามธรรมมีแต่ชื่อแต่ว่าลูกมาอาศัยซึ่งตัวคือร่างกายนี้เป็นอยู่ส่วนเจตใจนั้นมองไม่เห็นด้วยตาหนัง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 เมื่อพระองค์มาเจริญข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแล้วจิตใจพระองค์ก็เลิกละปล่อยวางกิเลสต่างๆออกไปแล้วตัดสรู้ตัดกิเลสทิ้งไม่ตามกิเลสไม่พกห่อเอากิเลสต่อมาอีกพระองค์ตัดแลว้วพระองค์ละแลว้วถอนแลว้วปล่อยวางได้แล้ว เชื่อว่าเป็นตัวอย่างของมนุษย์และเทวดาอินทร์คมทั้งหลายที่ควรเอาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้านั่นเชื่อว่าเป็นนักเสียสละเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละขนาดเรียกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์มในโลกสมัยนั้นไม่มีผู้ใดสามารถสละได้ปล่อยวางได้เหมือนพระองค์ จนพระองค์ได้ตรัสสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีเมตตามีกรุณามีมุติตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกช่วยตรัสพระธรรมเทศนาสอนเวเนยศัตร์ทั้งหลายโดยมาความไม่ท้อถอยทุกวันทุกคืนพระองค์ก็เทศนาให้แก่มนุษย์และเทวดายินชมฟัง เมื่อฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติคนในสมัยโน้นจึงมีการได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งสันนิพานได้มากมายเพราะว่าคนสมัยนั้นเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเมื่อพระพุทธเจ้าเทศน์อย่างไรสอนอย่างไรก็ทำตามปฏิบัติตามเมื่อทำไปปฏิบัติไป จิตใจมีกำลังก็ตัดบวงห่วงอะไรเลิกละกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของพระองค์เรียกว่าตรัสโลตรัสโลแจ้งแทงตลอดในโลกพระองค์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปแล้วเมื่อพระองค์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาก็สอนมนุษย์ละเทวดาให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา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 แม่พระองค์จะดับขันเข้าโซนารือผ่านไปแล้วก็ตามพระอริยสงสาวกก็ทําการปฏิบัติบูชาภาวนาสั่งสอนกันมาเรียกว่าการทังเทศทางธรรมมีมาตั้งแต่สมัยสัพพุตตจ้าแม่พระองค์ท่านจะดับขันเข้าโซนารือผ่านก็เป็นแต่เรื่องของท่าน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 ก็เป็นาจเป็นจิตใจอันผ่องใสสะอาดจิตใจเกียดค้านภาวนาก็เป็นใจหมัน่นขยันขันแข็งขึ้นมาจิตใจอ่อนแอทอดแท้เลิกละตัดปลดปล่อยกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้มาถึงคั้ น, นั้นแล้วก็ละได้ทำได้ทางนั้นเพราะจิตใจมันแข็งแข็งขึ้นมา จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจในใจของตนให้สมาำเสมออย่าพาท้อถอยเมื่อใจไม่ท้อถอยแล้วท่านว่าเป็นคนมีความเียนคนเราเมื่อมีความเชียนลงไปในจิตในใจได้แล้วยอมสำเร็จทุกจิตกรรการงานทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะว่าใจิตใจไม่ท้อถอย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 ต้องทําเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ให้ได้ให้มีจิตใจอันตั้งมัน่นลงไปในวัจัยจริงๆแน่นั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้ไม่ควรประมาทโงตั้งโยในความไม่ประมาทเมื่อความไม่ประมาทมัวเมามีอยู่ในใจของเราทุกคน จิตใจนั่นแหละจะพองใสสะอาดปราศจากมนกินโทษอิเลตันหามานุสติ ท, ทังหลายก็จะลดละลงไปได้เพราะว่าใจไม่ทอถอยใจภาวนาจิตใจมีความเพียรความมั่นความขยันไม่ทอแทอ่อนแอในหัวใจจิตใจที่ไม่ทอดแทอ่อนแอในหัวใจนั้นแหละเป็นจิตที่ขาวสะอาด เมื่อใจขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวเหมือนผ้าที่ใหม่เรียกว่าเป็นจิตใจดีงามเป็นใจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติและตั้งนั่นได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมหายใจนี้แสดงทั้งความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแสดงถึงชีวิตของแต่ละบุคคล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 นี่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นใจของเราทุกคนจองเพียนพยายามตั้งหน้าตั้งตาตาบำเพ็ญภาวนาในทางทุทสาสนาอย่างจิตใจของตนให้ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาเรื่อยไปฉะนั้นอุบายธรรมโดยยนย่อนอี้ เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพททปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญมีความก็มีด้วยประการแันดีสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลโกโววินัสตุมาติสวัตตวันตรายโย โชคีเทคายุโกภาวะอปิวาทานาสิริชนิจังบุทธาปัจจายิโนจตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสชค ข, ขังคาลางังตนถึงขั้นนิพพิทายานความเบื่อหน่ายคลายกิเลสเหล่านี้ออกไม่หลงใจตามกิเลสนี้อีก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 ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาให้มันจบสิ้นลงไปด้วยความสงบตั้งมัน่นด้วยความเห็นแจ้งในหลัก อ, อนิจจังทุกขังอนัตตารู้เข้าใจแจ้งชัดไม่เยึบอยู่ถืออยู่ ในความสุขและความทุกข์ไม่ให้เข้ามาในใจไม่ให้ใจหลงไปตามความทุกข์และความสุขเรียกว่าลู้แจ้งลู้จักลู้จริงลู่ละลู่ถอนลู้ปลอยลู่วารลู้ไม่ยึดไม่ถือเรียกว่าลู้ปัิจจังจำเพาะจิตไม่ใช่คู่อื่นแนะนำให้รู้เป็นความรู้ด้วยการปฏิบัติ การประกอบกรรทาในจิตใจของตนของตนจนเกิดความรู้ความฉลาดความสา ม, มารถอ่านแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้จนติดจิตนั้นไม่ติดไม่ค้องไม่ติดใจในอารมณ์ใดๆท่านเรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริง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 เห็นของปลอมหลงไปตามของปลอมของปลอมมันก็หลอกลวงให้มนุษย์และเทวดาอินชมทั้งหลายติดอยู่ข้องอยู่ในของปลอมของแปลงของแค่ของจริงได้แก่จิตใจเข้าถึงความดีมุดหลุดพ้น ันไม่มียึดในพพใดชาติใดอีกต่อไปภาวนาลูกเดียวภาวนาอย่างเดียวละกิเลสอย่างเดียวตลอดกาลรูรปปันจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาอย่างไรเป็นเรื่องของรูปปัน ใจิตใจผู้รู้ผู้เห็นปัญญาความสอดส่องในธรรมปฏิบัติของแต่ละดวงจิตดวงใจแั่งกำหนดรู้จนเห็นแจ้งด้วย